อีกปัญหาหนึ่ ง, นงเนี่ยนะวักที่วที่สองอเพทชวักเนี่ยนะอเพศชวักวักว่าด้วยสิกาบทเล็กศิกาบทน้อยเนี่ยนะพระเจ้ามิลินถามพระนาคเสนว่าพระขุณเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิทข้อความนี้ไว้ว่าอภินยาหังพิกเวธรมังเทเสสโนอนณภินยายะ แปลว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเรารู้แล้วจึงแสดงธรรมไม่ใช่ยังไม่รู้ก็แสดงธรรมคือทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยรู้นะไม่ใช่ว่าพูดแบบอะไรนะพูดแบบคนไม่ได้คิดอะ่ะไม่ได้พูดแบบไปพูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อยไม่ใช่แบบนั้นคือผ่านการกลั่นกรองไข้ครวนพินิษพิจารณาหมดแล้วอะ่ะจึงได้แสดงว่างนั้นอันนี้นี่นพุทธพจน์ที่หนึ่งนะพงษ์ตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆในในโคตมัสูดเนี่ยนะ อีกสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสไว้ในพระวินัยบัญญัติไว้อย่างนี้ก่อนจะปรินีผ่านเนี่ยพระองค์ก็ตรัสกับพระอา น, นุน์อย่างนี้ว่าอากังฆมาโนอานันทสังโคมมัจเยนะคุธานุคุธกาณิสิกขาปานิสมูหนตุดูก่อนอาน น, น, นนุ์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงเมื่อต้องการก็จงเพิกถอนคุทธาคุถก า, าสิกขาบท คือสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยทั้งหลายเถิดอะนะคำพูดฟังเหมือนขัดกันนะพระองค์บอกว่าพระองค์แสดงธรรมทั้งหมดเนี่ยรู้ยิ่งหมายคาอว่าเกิดการใคร่ครวรรอบคอบหมดแล้วจึงแสดงมาตอนท้ายบอกว่าถ้าสงประสงค์จะถอนสิกขาบทก็ถอนได้ พระคุณเจ้านากเกษมข้อที่รับสั่งให้ส่งเพิกถอนคุทธา น, นุคุธกะสิกขาบททั้งหลายได้ในคราวที่พระองค์ทรงล่วงรับไปแล้วนั้นน่ะเป็นเพราะคุทธานุคุถกะสิกขาบททั้งหลายเป็นสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วไม่ดีหรือไรซ้อนไม่ดีหรื อ, อ ย, รยังไงอ่ะทําไมจึงต้องต้องบอกให้เขาถอนน่ะนะ หรือว่าเป็นเพราะเมื่อทรงไม่มีเรื่องเกิดขึ้นพระองค์ก็บัญญัติเอาไว้เพราะไม่ทรงรู้เล่าหรือบัญญัติไว้เรื่อยเปื่อยไม่รู้จริงก็บัญญัติไปเรื่อยพระคุณจานาคเศสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรารู้แล้วจึงแสดงธรรมแปลว่าเรารู้อย่างยิ่งแล้วเราจึงแสดงธรรมไม่ใช่ยังไม่รู้เราก็แสดงธรรม อย่างนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคําที่พระองค์ตรัสก่อนจะปรินิพานว่าดูก่อนอานอน์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงเมื่อต้องการก็จงเพิกถอนคุถานุคุถกะศึกษาบททั้งหลายเถิดดังนี้ก็ต้องเป็นคําพูดที่ผิดถ้าพระตถาคตตรัสไว้ในพระวินัยบัญญัติอย่างนี้ว่าดูก่อนอาน์ เมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงเมื่อต้องการก็จงเพิกถอนคุทานุคุตตะกศิขาบททั้งหลายเถิดดังนี้จริงไซท่ายอย่างนั้นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอานภิกษุทั้งหลายเรารู้อย่างยิ่งแล้วจึงแสดงธรรมไม่ใช่ไม่รู้ก็แสดงธรรมก็ต้องเป็นคําผู้ที่ผิดสรุปว่าปัญหามันสองเงื่อนแบบนั้นเถอะทั้งละเอียดสุคุมลึกซึ้งประมาณนั้นลึกซึ้งเป็นแสนแบบนั้นนะแสนจะลึกซึ้ง มองเห็นยากว่างนั้นเถอสรุปว่าไปคิดมาแล้วก็ไม่เข้าใจว่า ง, งั้นปัญหานี้ตกถึงท่านแก่ท่านแล้วขอท่านจงแสดงกำลังยานที่แผ่ภัยสารของท่านเถิดช่วยขยายปัญญาให้ฟังหน่อยวางนั้นแต่ในอัตถกาถาอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าปัญหาปัญหาสอง คือคือปัญหาในสองที่สองแห่งเนี่ยนะมันขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้คือถ้าหากพระองค์ตรัสว่าเรารู้ยิ่งแล้วจึงแสดงธรรมไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งแล้วก็แสดงธรรมถ้าเป็นจริงไ้ค์คำที่พระองค์ตรัสว่าสงเมื่อต้องการก็จงเพิกถอนคุทานุคุถกศิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ย่อมเป็นคําพูดที่ผิดไม่ถูกต้อง ถามว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่อพระองค์ทรงรู้คือทรงเป็นผู้มีความรู้แสดงธรรมไม่ใช่ทรงแสดงไป ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่รู้ก็น่าจะทรงทราบเป็นอย่างดีก่อนแล้วว่าควรจะทรงบัญญัติสิกขาบททั้งหลายไว้อย่างไรนะพระองค์ต้องรู้จริงสิเื่นกระบัญญัติใช่ไหมว่าต้องบัญญัติกี่ข้อกี่ประเภทพระองค์จะไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทอีกหลายข้อ ที่เป็นสิกขาบทเล็กน้อยที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สงผู้ประพฤติตามจนภายหลังพระองค์เองจงต้องแนะนําให้สงเพิกถอนสิกขาบทได้แสดงว่าพระองค์ก็คือคือพูดแบบภาษาทั่ ว, วไปเหมือนกับว่าไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ในสิ่งที่พระองค์บัญญัติเพราะฉะนั้นถ้าประสงค์ก็เพิกกันได้นะ หรืออีกอย่างหนึ่งเท่ากับพระองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อทรงต้องการก็จงเพิกถอนสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยทั้งหลายเถิดถ้าคําพูดอย่างนี้จริงคําที่บอกว่าเรารู้แล้วแสดงทำเป็นต้นนั้นอ่ะก็เป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะเหตุว่าเมื่อทรงแนะนําให้เพิกถอนได้อย่างนั้นก็จะไม่สแสดงถ้าพราะองค์อนุญาตให้ถอนจริงก็แสดงว่าไม่รู้จริงตอนที่พระองค์บัญญัติก็ไม่รู้จริงเพราะบัญญัติสิกขาบทที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ที่สงฆ์จะต้องมาช่วยกันรักษาแม้สงฆ์ต้องการจะเพิกถอนเสียบ้างก็เพิกถอนได้ตามที่ต้องการนะแปลว่าคำสองคำเนี่ยมันฟังแล้วมันขัดกันเองเหมืนกันนะบอกว่ารู้ยิ่งตอนหลังบอกให้เพิกอ่ะไอ้คำมันก็ฟังแล้วมันขัดถ้ารู้จริงมันทําไมก็พูดให้มันเรียบร้อยสัทีเดียวซะทําไมจะต้องมาบอกให้คอยเพิกคอยอะไรอย่างงั้นอย่างนี้อีกนะ คำว่าเรารู้แล้วก็คือรู้ด้วยสัพพัญยุตยานคำว่าเพิกถอนคือเมื่อต้องการจะเพิกถอนก็ถอนเธอถามว่าเพราะเหตุไรจึงไม่ได้ตรัสไว้โดยระบุแน่นอนว่าพวกเธอจงเพิกถอนไม่ใช่เป็นคําสั่งนะเพราะว่าเธอทั้งหลายจงเพิกถอนไม่ใช่ลักษณะคําสั่งแต่พระองค์ตรัสไว้เป็นคําพูดที่มีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าสงต้องการก็จงเพิกถอนต่ อ, อทําไมพระองค์จึงไม่ตรัสเป็นลักษณะคําสั่ง แต่ตรัสเป็นคำพู้ทีออ่หมายว่าถ้าจะเอาก็ได้นะถ้าไม่เอาก็ตามใจคล้ายๆแบบนี้นะตอบว่าเพราะพระองค์ประสงค์จะให้พระหมหากษสปะเทระได้แสดงพลานุภาพของท่านในอันที่จะทำรงธรรมวิไนที่พระองค์แสดงไว้ทรงบัญญัติเอาวไว้ให้มีอายุยืนไปได้ตลอดถึงห้าพันปีในคราวที่พระองค์ในคราวที่พระหมหากรสปะเป็นประธานประชุมธรรมสังขยนาพระธรรมวิไน ภายหลังกาละเสด็จดับขันปริญิพานของพระองค์คือพระองค์นี้ทรงมองเห็นได้ว่าพระมหากรสปะผู้เป็นหัวหน้าในการประชุมธทำสังขยนาจากไม่ยอมเพิกถอนสิกขาบทแน่นอนเห็นไหมจริงอย่างนั้นเมื่อท่านท่านนลเนี่ยยกเอารับสั่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นมากล่าวในที่ประชุมสงฆ์ที่บอกว่าถ้าเมื่อสงฆ์ต้องการก็เพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้เนี่ยนะพระนลก็ยกคําเหล่านี้ขึ้นมาถามท่ามกลางสงฆ์ ทีนี้พระมากระสปะก็ถามพระอา น, นุ์ว่าสิกษาบทข้อไหนบ้างที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิกษาบทเล็กน้อยท่านท่านอนก็ตอบว่าไม่ได้ถามโมแต่เสียใจพออจระองค์จะไปนิพพานก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกเหมือนั้นพระมากระสปะก็เลยปรึกษาเรื่องนี้ในที่ประชุมสงฆ์พระเถระทั้งหลายก็มีมติที่แตกต่างกันออกไปบางกลุ่มบอกว่าเว้นจากปราชิกสี่ซะที่เหลือเล็กน้อยหมดอ่ะเอก กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าปาราชิกสี่กับสังคารทิเศษสิสาเนี่ยนะนอกจากปาราชิกสี่กับสังคารทิเศษสิสามที่เหลือเล็กน้อยหมดคือสรุปว่าพูดไม่เหมือนกันสักองหนึ่งพันเมื่อความเห็นไม่ตรงกันพระมหากัสปเทระก็กล่าวข้อความอันนี้เป็นใจความย่อๆในสภาสงห้าร้อยรูปเหล่านั้นอย่างนี้ว่าสุนาตุมมาวุโสสังโคเนี่ยนะขอสงจงฟังข้าพเจ้า ศิกขาบทที่เกี่ยวข้องกับพวกเครหอขัดก็มีอยู่หลายข้อพวกเครือขัดเหล่านั้นก็พอจะรู้กันอยู่บ้างวันนี้สมควรสําหรับพวกสมณะสักยะบุตรข้อนี้ไม่สมควรเป็นต้นถ้าหากว่าเราไม่รักษาณนคะรว่าตเหล่านั้นก็จะกล่าวติเตียนเอาได้ว่าสาวกของพระสมณะโคตมะพาการศึกษาปฏิบัติในศิกขาบททั้งหลายกันอยู่ก็ตราบเท่าที่พระศาสดา ย, ยัางทรงพระชนอยู่เท่านั้น นับตั้งแต่พระศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันปริณิพานแล้วบัดนี้พวกสาวกเหล่านี้ก็หาศึกษาปฏิบัติิิกาหาหศึษปฏบัตในสิกขาบททั้งหลายกันอยู่ไม่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสงฆ์จะยินดียินยอมข้าพเจ้าขอเสนอยตินิว่าสงฆ์ไม่พึงบัญญัติสิกขาบทที่ไม่ได้ทรงบัญญัติตอนนั้นท่านตั้ ง, ง, งยติไว้เลยว่าหาสงฆ์ไม่ต้องบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่ง ไม่เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วรูปใดเห็นชอบขอให้นิ่งเฉยรูปใดไม่เห็นชอบขอให้กล่าวคัดค้านสรุปสงทั้งหมดนิ่งแปลว่าไม่มีการเพิกถอนสิกขาบทโดยประการทั้งปวงสมัยนี้นะมาจวบมาจนถึงสมัยนี้ก็ไม่มีสงคณะไหนกล้าเพิกถอนสิกขาบทถ้าจะเลวขอเลวเฉพาะตัวแต่ไม่ออกออกอารกดเกณฑ์รายที่มาทับสิกขาบทเนี่ยนะ ก็ถือบอกักทุกอย่างเป็นไปตามธรรมมวินัยหมด ต, ตัวตัเองปฏิบัติไม่ปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสมัยใหม่ก็ยังไม่มีคณะสงฆ์กลุ่มใดกล้าเพิกทิ้งไปเลยอะไรทิ้งไปเลยไม่มีแต่ว่ามติส่วนบุคคลบางคนอาจจะมีแต่คณะสงฆ์ทําเป็นสงฆ์โดยชอบโดยธรรมโดยวินยัยมาร่วมกันเพิกถอนไม่เคยมีถ้าจะเลวก็ขอทาเลวเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกเฉพาะอะไรไป สรุปว่าเมื่อพระมหากระสปะกล่าวอย่างนี้แล้วสงเหล่านั้นทั้งมวลล้วนเห็นชอบนิ่งใช้กันทุกรูปความสามารถในอันทำภิกษุทั้งหลายให้ตระหนักเคารพยอมรับความประเสริฐความเป็นสิ่งประเสริฐความเป็นใหญ่อย่างยิ่งแห่งสิกขาบททั้งหลายโดยประการที่ตกลงกันว่าจะไม่เพิกถอนสิกขาบทแม้ส่วนที่ตราเรียกว่าสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยของท่านพระมหากระสปะอย่างนี้นั้นชื่อว่า พลานุภาพกำลังของพระมหาคสปะการกระทําของพระมหาคสปะเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ช่วยให้อายุพระศาสนาดำรงอยู่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่โลกคือชาวโลกได้นานประมาณ 5,000 ันปีเนี่ยนะทีนี้คำถามที่ที่พระพระเจ้า มิลินถามพระนาคเกษก็ต่อว่าขอถวายพระพรมหาบพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิทธข้อความนี้ไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรารู้แล้วจึงแสดงธรรมไม่ใช่ไม่รู้เราก็แสดงธรรมอย่างนี้พระองค์พูดพระพุทธพจน์นี้จริงคือตรัสไว้ในโคตามาสูตรเนี่ยนะแล้วก็ตรัสไว้ในพระวินัยบัญญัติอย่างนี้ว่าดูกนภิกษุทั้งหลาย ขอัยดูก่อนอนนลเมื่อเราล่วงลับไปแล้วส่งเมื่อต้องการก็จงเพิกถอนคุทานุกุตตะกศิขาบทคือศิกขาบทเล็กศิขาบทน้อยทั้งหลายเถิดดังนี้พระองค์ก็ตรัสจริงขอถวายพระพรพระตถาคตเมื่อจะทรงทดสอบภิกษุทั้งหลายว่าสาวกของเราเนี่ยเมื่อเราอนุญาตอยู่พอเราล่วงลับไปแล้วจักพากันล้มเลิก คุทานุคุถกะศิขาบทคือศิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยทั้งหลายหรือว่าจะยังเอื้อเฟื้อกันอยู่หนออย่างนี้แล้วก็ตรัสคําเหล่านี้เอาไว้ในพระวินัยบัญญัติคือพูดอีกในหนึ่งก็เป็นคําพูดกึ่งลองใจอย่างนั้นเถอะขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าพระเจ้าจักรพรรดิประสงค์จะทดสอบหรือรับสั่งกะพระโอรสทั้งหลายว่าก่อนก่อน ก่อนพร ะ, พระจักรพรรดิจะสิ้นสิ้นพระชนเนี่ยนะเขบอกว่านี่แนะ่พอคุณแว่นแคว้นของเราเนี่ยมันใหญ่หลวงอ่า น, นะแว่นแคว้นนี้ใหญ่หลวงเนี่ยสิ้นสุดที่มหาสมุทรตลอดทิศทั้งปวงคือแผ่นดินนี่ใหญ่จริงๆอ่านะมีทะเลเป็นรั้วแผ่นดินใหญ่ขนาดนั้นนะการที่พวกเจ้าอาศัยกําลังเพียงเท่านั้นรักษาแว่นแคว้นใหญ่เอาไว้ น, นี้เอาไว้ได้เป็นข้อที่ทําได้ยาก แผ่นดินมันใหญ่เหลือเกินขนาดนี้เนี่ยนะพวกเจ้าเนี่ยดูแลกันยังไงไหวเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อล่วงลับไปแล้วพวกเจ้าก็จงสละหัวเมืองชายแดนเสียบ้างเถิดดังนี้เนี่ยนะมันเหมืนกันอะไรนะพ่อมีบัญชีอะไรทรัพย์ฝากธนาคารไม่เยอะแยะไปหมดมีหลายธนาคารด้วยกันอันถ้าพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะลูกแต่ตัดทิ้งสัก 20- 30บัญชีมัง่งอาจะเป็นรายไปเนี่ยนะถ้าดูแลไม่ไหวก็ทิ้งทิ้งสังงบ้างเถอะอย่างเงี้ยนะ มหาพิธเมื่อพระรา ช, ชนกสวรรคตแล้วพวกพระราชกุมารเหล่านั้นก็ยอมสละหัวเมืองชายแดนทั้งปวงที่อยู่ในเงื้อมมือของตนตามคำของพระราชชนกหรือขอถวายพระพรลูกเขาจะทำตามไหมหามีได้พระคุณเจ้าพวกราชกุมารเหล่านั้นมีแต่จะสแสวงหาหัวเมืองชนบทให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเท่านั้นก็มีแต่จะหาเพิ่มเท่านั้นแหละหาเพิ่มเป็นสองเท่าทวีคูณก็งั้น เพราะความโลภต่อราชสมบัติฉะนี้นจะยอมสละหัวเมืองที่อยู่ในเงื้อมมืออยู่แล้วเล่าเนะี่ยเาม่หาเพิ่มถ้ามันมีทะเลอีกข้ามหนึ่งจะข้ามไปตีเอาเนะี่ยนะเาจะมีที่ไหนจะสละเนี่ยนะยอมสละกันง่ายๆหรือไอ้ข้อพิพาสละเกาะมันยังยากเลยใช่ ขอถวาย أ, พระนาคเสนก็กล่าวว่าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพระตถาคตพระองค์ทรงประสงค์จะสอบถามพิสูจทั้งหลายจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ดูก่อนอนนท์เมื่อเราร่วงรับไปแล้วทรงเมื่อต้องการก็จงเพิกถอนคุถานุธธกุตตะศิขขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ขอถวายพระพรพระพุทธบุตรทั้งหลายมีแต่จะอบรมรักษาศิกขาบทอื่นๆยิ่งขึ้นไปอีกเป็นสองเท่า เพราะมีความต้องการธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์จะสละศิกษาบทที่ทรงบัญญัติตามไว้แล้วตามปกติได้อย่างไรคือคือท่านเหล่านั้นเนี่ยต้องการพ้นทุกข์ทำยังไงที่จะมีการศึกษาปฏิบัติให้มันยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นจะได้พ้นทุกข์เร็วๆเนี่ยนะมีหรือจะไปเพิกถอนคำสอนที่ทำให้พ้นทุกข์พระกุณเจ้านาเกษตรไอคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคุทธานุคุตกระศึกษาบทศิกษาบทเล็กน้อยเนี่ย คำนี้เขายังสับสนเกิดความคล่องใจสงสัยกันอยู่ว่าไอ้คุธกะสิกขาบทเนี่ยนะเป็นอย่างไงอนุคุถกะสิกขาบทนี่เป็นไนที่แปลว่าสิกขาบทเล็กน้อยคืออะไรขอถวายพระพรมหาบาพิษสิกขาบทที่เป็นทุกกดชื่อว่าคุถกะสิกขาบทเนี่ยนะสิกขาบทเล็กก็คือพวกอบัตทุกกดสิกขาบทที่เป็นทุพพาเศชื่อว่าอนุคุถกะสิกขาบท อย่างสิกขาบทสมุนธ์พระพิสุเห็นผลไม้อยู่ในต้นนะซนไปจับไปจับเล่นเขาเรียกว่าทุรุปจินนะทุกกฎเนี่ยนะขเขาว่าไปจับไม่ได้จับผลไม้ที่อยู่กับต้นไม่ได้เป็นอ ბ ัติทุกกฎอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอ ბ ัตทุกกฎแล้วก็มีอ ბ ัตทุกกฎอีกเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าสิกขาบทเล็กส่วนสิกขาบทที่ชื่อว่าทุภาสิท์ชื่อวา่า อ, อ, อ, อนุคุทะกะสิกขาบทสิกขาบทน้อย ไอศิขาบทน้อยก็คือพวกอัปบาททุพพาสิตธิ์ทุพพาสิต์ก็เช่นโอ้ยสูงอย่างกระเสาไฟฟ้าเนี่ยนะต่ำต่ำอย่างก็อะไรก็ว่ากันไปเขาเหมือนอะไรเนี่ยพูดล้อกระทบเล่นอยากจะขำๆมานะหาเรื่องขำๆพูดสนุกสนุกไปอะ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุคุตตะศิกขาบทหรือว่าสิกขาบทน้อยมหาบาพิษพระเทระแต่ครั้งก่อนเกิดความข้องใจในคุ ธ, ธานุคุตตะศิกขาบทสองอย่างเหล่านี้ เป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วแต่พระเทระเหล่านั้นไม่ได้รวบรวมเอาไว้ในคราวทำสังขารนาพระเจ้ามิเรนก็บอกว่าพระคุณเจ้าหน้าเกษณข้อลี้ลับของพระของพระชินเจ้าที่เก็บงํากันไว้ได้ถูกท่านทําให้เปิดเผยทําให้ปรากฏในโลกแล้ววันนี้เนี่ยนะก็คือพระเจ้ามิเรนก็ยอมรับแล้วก็เกิดความรู้และความเข้าใจเนี่ยนะ